อาจนี้ยังไม่ต้องฟังอะไรอ่ะนั่งปฏิบัติกันไปสักระยะหนึ่งเงียบๆตยๆยายๆอาจจะพืดอะไรเล็ก ๆ, ๆน้อยไปเป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติตอนนี้เราก็ยกมือสร้างจังหวะกันไปเงียบๆโดยจิตโดยใจหลังธรรมวจิาวันนะผ่านความรู้สึกตัวที บางธรรมวัดจบเห็นธรรมมะไหมร่วมมีแต่อกุศลธรรมงงเหงาหาอนอนมึนกเก๊กเกงเบือ่อหมดงุหงิดหนัก โลงๆโปล่งๆเบาๆผ่อนคลายสบายตื่นรู้มันก็มีการเคลื่อนการไหวกายเคลื่อนไหวก็สั่งให้มันเคลื่อนก็เคลื่อนน่ะเจตนาสั่งเจตนาเป็นกรรม ส่วนใหญ่เราทำตามอาการทำตามอารมณ์ทำตามความพอใจไม่พอใจตอนนี้เรามาฝึกหัดแล้วก็เ ร, กรู้การงานของเรากันรูปแบบปฏิบัติเวลานี้วินาทีนี้ นั่งอยู่ตรงนี้มันก็ไม่เป็นอื่นทำว่าสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมมันต้องมานั่งกันอย่างนี้แหละจะลุกเดินมันก็ไม่เหมาะต้องจัดระเบียบตัวเองหน่อยบางคนแยงนะ้งไงทำวัดเช้านะบางคนแย้งนงะ คนในวันที่เค็ดลาไปเลยธรรมวัเช้าเนะี่คนส่วนใหญ่ทั่ ว, ท, วทั่วไปนะก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ยามสามองค์สมเด็จสมามเจ้าบรรลุอาสวัคยายานปฏิบัติธรรมยามหนึ่งยามสองยามสามเวลานี้ยามสามบรรลุธรรมเข้าใจธรรมะม เห็นการยึดมั่นถือมั่นเรียว่าต um ันหาอุปทานนะทยานยาเข้าไปแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นรูปนามกันห้าฟังอาจจะไม่เข้าใจรูปนามกันห้าเป็นภาษาศาสนาจำเป็นเลยที่จะต้องพูดตรงนี้มันเป็นภาษา ขันหเป็นภาษาอินเดียคือตัวกายตัวใจรูปธรรมนามธรรมนี่แหละขันหาเห็นไหมรูปของทีมก็เป็นมารรูปขันเป็นมารไม่ใช่บารมีนะเป็นมารถ้าเป็นบารมีต้องใช้มันได้ยกมือสบายๆนะคนมีบารมีคนยกมือไม่ขึ้นไม่มีบารมีอะไรหรอก แค่เดินออกไปก็ทุกข์แล้วหรือนั่งอยู่ที่นี่ก็ทุกข์แล้วไม่ต้องถึงว่าเวลาผ่านไปไปชิอโลกว่างอย่างไรอยู่ที่นี่มันก็ทุกข์แล้วนั่งยกมือสร้างยางไงนะทุกข์แล้วเอาทุกข์มาเป็นทุกข์ด้วยไม่ใช่เอาทุกข์มาเป็นตัวรู้มาเป็นตัวสติปัญญาเอาทุกข์มาเป็นปัญหาเป็นอุปท า, านยึดเข้าไป สภาว่าที่มันรู้รู้อยู่เกอนไหวรู้อยู่นั่งเดินยืนนอนรู้อยู่มีอาการมาอาการปวดปัสสาวะปัสสาวะพวกนี้อุจจาระปัสสาวะรู้อยู่แต่าว่าจะใช้เกี่ยวข้องกับมันอย่างไร อ, อีกเรื่องปวดหลังปวดเอวก็รู้อยู่ก็มีอยู่ก็รู้อยู่แต่าว่าจะเกี่ยวข้องกับมันยังไงอ่ะ ใส่ความอดทนลงไปหรือว่าไม่ต้องอดทนทาตามใจกูนการฝึกการหัดอบรมอยู่ตรงนี้ร้อนหน่อยมันไม่ทนก็ทนลงไปมันไม่เฉยก็เฉยลงไปมันไม่รู้ก็รู้ลงไปรู้รู้เนืรู้ตัวก็ต้องเห็นนะขันห้ารูปขัน ร่างกายฟางสออกยาวานาคือพวกเราต้หัวจะหลุดท้ามันเคลื่อนมันไหวอยู่แล้วมันทําอะไรอยู่ในพฤติกรรมของมันนะกายกรรมวิจีกรรมนิ่มทำอะไรมันอยู่ไม่ได้พูดแต่พูดในใจมีไหมมันพูดงงิงง ง, ง, งิอยู่คนเดียวในหัวกรโหลกมโนกรรมมโนมา น, นะพวกของจิตเรื่องของจิตเรื่องของใจเป็นนมามธรรม สัญญาสังขารวิญญาณการปรุงการแต่งเเรื่องจิตใจของเราอาการของจิตกรปรุงแต่งเก่งขณะยกมือในเห็นไหมปฏิยาเราเนี้อ่านมันออกไหมในหลราเรียวปฏิบัติธรรมศึกษากายใจเห็นกายเห็นใจทางความเป็นจริงอาการต่างๆ8 4 0 0 0ี่พเรื่องแล้ว น, นะภาษาศาสนาแปนสี 8, 000, 000, พันพธรรมขัน รวมแล้วเรื่องของกายของใ จ, mm. จเห็นกายเห็นใจนะเคลื่อนไหวรู้สึกนะเห็นไหมนะสัมผัสกระทบตรงไหนจิตมันก็อยู่ตรงนั้นนะ mm. บางทีไปอยู่อาการเจ็บปวดเมื่อยเวลามันคิดสั่งให้เปลี่ยนเงรู้ทันมันไหม mm. มีสติก่อนหรือเปล่าหรือว่าทุกเวทนาภาธรรมเนี่ย ก, การฝึกหัด20นาที พูดมาเนี่ย เ, เกือบสิบนาทีแ ล, ล้วก่อนการบอกให้เราได้กลับมาทบทวนบทเรียนของเราคณะต่ อ, อนณนะเรียาบทบทเรียนนั่งเดินยืนนอนนะเป็นบทเรียนรู้เรียนรู้เรียนแบบแต่ไม่ใช่ Copy เรียนรู้เรียนแบบแต่ไม่ใช่ Copy ปปกติเราเรียนรู้ศึกษากันเรียนรู้ศึกษาทําไมเรียนรู้สึกตัวเรียนรู้ศึกษาหาเงินหาทองที่ภาคใต้ที่ภูกเก็ตมันมีตึกที่กําลังสร้างอยู่เนี่ยใกล้เสร็จแล้ว เดี๋ยวเดนตุลานต้องไปเปิดไปพากปฏิบัติตึกใหญ่มากหกชั้นในนั้นจะมีเรียนรู้สึกตัวนี่แหละการฝึกวิชาเจริญสติเนียวิชากรรมฐานนะรู้ศึกษาวิชาเต็มโลกมันมีอยู่เรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบ เดรุ่นใหม่ก็รู้เรื่องใหม่ขมคนรุ่นเก่าด้วยหมอรุ่นใหม่วิยาบาลรุ่นใหม่คงคนที่อยู่ก่อนไม้เล็กๆ ก, กัใบเขื่องใบใหญ่หน่อยไม้ต้นแก่ๆใหญ่ๆ ใ, ใ, ใบเล็กแต่สพคุนเพียบสพคุนเยอะ ให้ลิดออกลิดรุนแรงพริกนี่สังเกต ด, ดูเอาพริกภูตานมาปลูกเนะ่เร็วๆนี้ไปประเทศปูตานไปูฐานกลับมาติดพริกมาสองเม็ดเอามาพร้อมก็ขึ้นปลูกว่ารอบกุฏิเลยช่วงนี้มีลูกก็สังเกตมันก็สอนเราเหมือนกันพริกตอนเล็กๆนะี้นไม่เลเลยโยม เคยมนั่งให้คนจีนกินอยู่ตรงนี้แหละสอนเขาฝึกสติอมันสอนไม่รู้เรื่องจริงนคนจีนจะไพูดงไงภาษาจีนในเรื่องคนไทยพูดภาษาไทยยังไม่รู้เรื่องลหลวงพ่อก็นั่งอยู่เอาพริกให้คนจีนกินนะนะโลม่ในช่องปากมนเผ็ดหรือเปล่า เรากินกเราก็รู้ของเราท่านกินท่านก็รูงท่านต่างคนต่างรู้ไปมันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละไม่เผ็ดเลยอะเผ็ดกันนิดๆหน่อยๆแต่ตอนนี้เราไปกินใหม่เวลาผ่านมานานๆนะโอ้โหมันเผ็ดนะน้ำหูมตาไหล ในวันนั้นความรู้สึกตัวนี่ยิ่งถามยิ่งให้รสชาติมันจะเงียบเงียบแต่มีพลังเฉยๆแต่มีพลังนะอย่าพัดแต่อะไรอเงี้ยมันกลายเป็นเรื่องของปัญญากลายเป็นเรื่องของสักภคุณคุณธรรมต่างๆที่มันจะเกิดกับมันเองโดยที่เราไม่ต้องร้องขอหรอกแต่วงต้นให้มีความรู้สึกตัว มันไม่ได้เกี่ยวกับเงินกระทองรู้ศึกษาเนี่มันเกี่ยวกับความสําเร็จของการงานแล้วเงินทองแต่รู้สึกตัวมันเกี่ยวคือเกี่ยวข้องกับความสุขที่มันมีขึ้นมาในจิตใจของเราเป็นกฎของธรรมชาติกฎของกรรมฐานแต่ว่าก่อนที่จะยกอย่างมีความสุขปกติสุขเนี่ยมันก็ต้องผ่านความ่วงเาหาหงงนอนความงงเมินครับอกขับใจหลังเล ส, งส่งใส่การพยาบาท อันนี้มเป็นสิ่งที่ต้องผ่านเพราะฉะนั้นรู ป, ปขันกลายเป็นมารได้มารไม่มีบารมีก็ไม่เกิดความอดทนอดกลั้นก็เกิดขึ้นมาจากนั่นแหละอาการที่มันแสดงออกมาให้เราได้ทนเพราะฉะนั้นสังเกตดูมันขอไปเถอปะปัสสาวะไปเถอะอุจจระเปลี่ยนเถอะเปรียบซ้ายเปรียบวขวาคาสมาที่คาสมา นั่งเป็นยืนยืนเป็นนั่งเปลี่ยนเธอเปลี่ยนเธอให้มันขอไปอย่าเพิ่งทํำตามใจตัวเองทําตามความคิดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำตามใจอีกทึงก็ง จ, งจริตนิสัยของเราที่เคยผุดลุกผุดนั่งทําอะไรก็ตามใจกูกูอยากทำสักอย่างมีอะไรเปล่าอะไรเนาะฝึกมันอย่างนั้นไม่ทําตามใจมัน มเรียกร้องลองขอเราก็รู้แล้วหนึ่งเปลี่ยนเธอรู้แล้วสองสามกล้งจะมีสติเปลี่ยนให้จะมีสติพาไปเหมืองจากเราเคลื่อนไหวยังมีสติยกไมย้ยกมือนะสั่งตัวเองยังมีสติรู้จริงๆสัมผัสรู้จริงๆ มันจึงเป็นบทเรียนของใครของเรากันไม่ใช่หมายถึงว่าผิดหรือถูกอะไรเกิดขึ้นมามันก็เป็นประสบการณ์ของใครของเราของของเราก็ต้องจัดการเอาเองแล้วกันใช้จิตมาจิตมันโลเะเป็นมันทิงเครื่องเศร้ามองเป็นตัญหาประธานที่เกาะยึดแน่นจริญนิสัยเป็นสังโยชน์สังโยชน์ในภาษาศาสนาคือยางเหนียวอะยางเหนียว ทำหนึ่งครัง้งก็ไปติดลองทำบ่อยๆเลยติดนุบเลยเรียกว่าเสพติดการเนมจะลงแดงยางเหนียวยเช่นเมื่อวานเพื่อนเราสามคนไม่อัดบุหรี่มานะวันนี้อย่าให้มีนะแอบสูบเพล็ดีๆนะอย่างน้อยๆเราก็เห็นตัวเองนะเฮ้ยไม่มีคนเห็นไว้เอาเอาหน่อย เราเม้นตัวยังไงมัรู้ไปไม่ใช่ว่าไม่ดีนะของในโลกเนี่มันไม่ใช่ว่ามีแล้วก็ดีหรือไม่ดีมันไม่ใช่บุหรี่ก็ไม่ใช่ไม่ดีมาพิจารณาดูแล้วนะมันก็ดีมอร์ฟีนก็ไม่ใช่ไม่ดีพิจารณาแล้วมันก็ดีส่วนดีมันมีจริงเปล่า ลองปวดมากๆในโรงพยาบาลก็อัดมอร์ฟีนได้เลยฉีดมอร์ฟีนเลยตายคามอร์ฟีนเลยตายยังมีความสุขคนเป็นมะเร็งในกระดูกเนี่ยเจ็บปวดมากๆอัดมอร์ฟีนไงว่าไม่ดีไมมันดีขึ้นไหมเครียดมากๆในโรงพยาบาลเนี่ยฉีดยากล่อมปรนะสาทน่ ให้กินยาคลายเครียดต้วเนี้เพดเตเดนอะไรวเนี้ยเป็นกลุ่มมอร์ฟีนบางทีเผลอๆหมอดมยาติดเองเครียดมากๆแล้วเอายาไปกินติดไปเลยขโมยยาโรงพยาบาลก็มีใช้ถูกเรื่องก็ดีใช้ไม่ถูกเรื่องก็ไม่ดีนี่โคตินมันก็ดีนะ เฉเกิดการผ่อนคลายแต่วมันติดนะเดปัญหามีตรงนั้นเระเสพจึงติดก็ติดจึงอยากก็อยากจึงเสพเพราะเสพจึงติดบางคนมันดูดบุหรี่อายุเก้าสิบนั่นก็มีบางคนมัลางเนื้อชอบลางยากาแฟในบางคนกินแล้วพากินสันนั่นนะสันเด็ก ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆพอไปกินกาแฟไปก็หายมือสันอาจารย์โควิดเกมาตอนท้านะเป็นคนหนึ่ง ฝึกสติอกินกาแฟแต่ท่านเป็นพากินสันถ mm ้ hmm. าได้กาแฟสักแก้วาหารให้สันเลยผากินสั น, น mm hmm. พระรพีร์ยังไงแล้วไม่ใช่ไม่ดี mm hmm. แต่ตอนไหนควรเสพตอนไหนเราควรใช้มันสิ่งเหล่านี้ mm hmm. ก็เรียกว่าวัตถุกามะคุณ mm hmm. กามะโทษกามะคุณ mm hmm. อันนี้กามเป็นคุณ พอชีวิตตัวตัวไปแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างตรงตามหน้าที่ตรงต่อศีลตรงต่อธรรมต่อรวงละเมอต่อศีลต่อธรรมก็ต้องมีฝีมือเรียกว่ารักษาใจตัวเองได้แล้วใจของเราเองทําเป็นธรรมชาติมันจะไม่ได้เป็นกรรมเลยเป็นธรรมะจะทํำยังไงเป็นธรรมะอย่างเช่น ยกตัวอย่างหมาขึ้นมาเงี้ยปาได้ยว่าปาได้ป่าได้ไห ม, ห ม, หมสมมติหมาเดินขึ้นมาบนเนียปาได้ไได้กับยักหน้าไดไ้ใครว่าไม่ได้ใส่หัวเลยได้ไห ทำไมปลาไม่ได้ะเดินไปไล่ได้ไหมได้ไหมแล้วถ้าไม่เดินเราเราของโยนไปให้เขารู้อะไรเขาเนี้ยได้ไหมได้อามาก็เห็นหลวงพ่อ น, นะเคเห็นจริง ไอ้เขียวะน่โดนไอ้เขียว น, ะนยวนะ่มันอยู่ในวัดลำบิงเข้ามากัดไก่ข้างในนะบัลหลังมันมาใหม่หลวงพ่อเอาไม้เท้ า, าปลาหักสองท่อนเลย mm hmm. พู ด, พ, ดพูดอย่างนี้ไม่ใช่วันนี้ไล่ปลากันใหญ่เลยนะ mm hmm. ปลาได้แต่ว่าปลาด้วยเจตนาอะไรก็มันเบียดเบียนนะหรือคนบ้าเข้ามาเนี้ย อยู่ๆมีคนบ้าเดินเข้ามาเงี้ยต้องไล่ไหมฮะโยมคนบ้าเป็นเรื่องเดินเข้ามาในวัดกลางค่ำกลางคืนยาวิการเงี้ยไล่ไหมโยมไม่ไล่ก็ตามใจแตา่ ม, มัจะปีให้ดูที่พวกเนี่ยก็เคยทำมาแล้วละคนหวาดกลัวในวัดเลยกลัวกลัวทำไมอ่ะไม่ไปจัดการอะไรสักอย่าง แค่กลัวนั้นหนึ่งเหรอก็แยกเลยแยกให้ก็อยู่ให้เป็นที่เป็นทางพูดกันดีๆก่อนแม่น้ําพูดกันดีๆมีน้ําจิตน้ําใจลูกยอกรไผ่ใส่เตาไปใช้เลยเรื่องลูกเลี้ยงเตาแม่น้ําลูกยอกรไผ่ใส่เตาไม่ใช่ไม่ทําอะไรสักอย่างหนึง่งลูกฉันลูกฉันลูกฉัน แม่น้ําใจขว้างโอ้นี่นะรางวัลของลูกเนี่ยพ่อแม่ซื้อมาให้นะขนมอร่อยอร่อยจากชัยภูมิเนี่ยมาวัดป่าสุโกโตซื้อไปให้แม่น้ําลูกหยอแม่ไม่อยู่นี่เก่งมากเลยลูกชื่นชมเขาแม่ไม่อยู่ยังอยู่ได้ด้วยใช่ไหมอยู่ได้ไงเนี่ยโอ้ ปกติให้ติดแม่นี่มาอยู่ตั้งหลายวันมันอยู่ก็เกมอะนะมันก็อยู่ได้เด็นั่งเล่นโทรศัพท์ชมก็หน่อยเชื่นชมก็หน่อยเด็กกำลังหัดเดินล้มอเงี้ยเก่งลูกเก่งลูกโอ้ไม่ใช่พอเขาล้มเปลาโอ้โอ้โอ้โอ้องโห้ตอยโอ้โอ้ตกใจแม่อ้โไ้โอ้โ้โอ้้อ ก็ไผ่เตือนแล้วนะหนึ 1, 2, 3, 3, น่งครั้งสองครั้งสามครั้งนะอาตมามักจะสามครั้งทําไว้ในใจสามครั้งพระพุทธธรรมประสงค์ให้ทําได้ให้ด่าได้สามครั้งให้นินท้าได้สามครั้งสร้างปัญหาอะไรก็ได้การอาตมาให้ได้สามครั้งในใจถือกตินี่มานานแล้วถ้าครั้งได้เสียโดนอย่าว่ากันนะ ทีเองถ้าไม่ว่าทีใครเองอย่าโวยนะครั้งเดียวพอหมัดเดียวจอดอะไรเบบนี้ต้องอยู่แบบนั้นเนี่ยคือพระเดชไม่ใช่ไม่ใช่ใชลนะกษณของพระคุณพระคุณก็มีพระเดชก็มีแม่น้าลูกหยอเนยเป็นพระคุณนะกอไผ่ใส่เตาในพระเดชกอไผ่ อ, อือผิดกตีอะตกลงกันแล้วทำดีก็ให้รางวัลทำไม่ดีก็ลงโทษ ใจเตาคือรุนแรงเด็ดขาดเด็ดแล้วขาดแก้ปัญหาเคลียร์ทีเดียวจบไปเลยรับผิดชอบพวกนี้คือกลุ่มของคุณธรรมเพราะฉะนั้นวัตถุ ก, กรมาคุณใช้ดีเป็นคุณใช้ไม่ดีก็เป็นโทษก็คือพระเดชพระคุณนั่นเองมาเป็นเมตตาวัตถุถึงงสามบุคคลถึงสงสองสามศาตว์สาลาสิ่งสรรพสัตว์สวรสิ่งนะมันมีคุณถ้าคุณมีปัญญาคุณก็หยิบมาใช้สิเกิดประโยชน์ทั้งหมดนั่นนหะ แต่ถ้าไม่มีปัญญาโทษทั้งหมดนัะนะเพรา ะ, ะนั้นการเวทธรรมยกมือสิบสีงว่ายกแบบงโง่โงอันดับที่หนึ่งยกแล้วโง่รู้ยกไปทําไมเอเดี๋ยวมันก็ลดฐานลงมาเข้ากรรมฐ า, านไม่ได้ทําดีก็ไม่ได้ก็กไปทําช่วอย่างเช่นสุบุรีเมื่อาวานะบอกเลยว่าคือช่วยมันลดฐานลงมาแล้วเราไม่รู้จักมันบางคนก็เข้ากรรมฐ า, านไม่ได้ก็ลดมาเป็นทํำดีอาเช่น์หยิบไม่กวาดด้วยกวาดไง ยิบไม่กว่าจะกว่านะคือทําดีให้ถึงพร้อมมันลดฐานลงมาภาวนาคือเคลื่อนไหวรู้สึกแต่มันเจอข้างในแล้วมันแก้ไขตัวเองไม่ได้มันอ่านไม่ออกอ่านสภาพทำไม่ได้อันนี้เรียกทําแบบโง่ๆพวกนี้จะไม่ทําเลยละมันจะไปหาทําดีแล้วก็อ่านออกอ๋อมัญหาทําดีไม่ได้ว่าผิดทํำดีอยังเดิมยังให้ความสุขปิติสุขมันเกิดขึ้นไหม เปลี่ยนไลน์กันทึความไม่สะดวกเป็นความสะดวกความไม่สบายเป็นความสบายอันน้คือทําดีกันนี้ชําระจิตมันเป็นธรรมะเป็นธรรมชาตินะเราไม่ได้ทําแบบโง่ๆนะทำแบบมีปัญญามันจะอ่านออกถอดรหัสออกเวลาอารมณ์เกิดขึ้นมานะความง่วงกับมันผ่านทันทีประเภทนี้แบบทําแบบมีปัญญาแต่ทําแบบมีสติคือระลึกรู้อยู่ว่ามันง่วงแต่ว่า มันก็ยังง่วงอยู่งั้นนะแต่รู้ว่าง่วงแต่ไม่รู้จะทำไงรู้ว่าทุกไม่รู้จะทำไงรู้อยู่ว่าทุกนะรู้อยู่ว่าเมื่อยไม่รู้จะทําไงก็คือทําแบบระลึกรู้มีสติอยู่นีมันทำสามอย่างนะที่ปฏิบัติกันทำแบบโง่ไม่รู้อะไรเลยให้ทําก็ทําหมือนงั้นนะเป็นแฟชั่นไหมทำแบบมีสติคือมันรู้อยู่่ะรู้อยู่ว่าปวดนะแต่ไม่รู้จะทําไงมันยังไม่หลุดปัญญายังไม่เกิดเห็นว่าปวดนะ่ มีบัญญัก็ปวดก็ปวดนะกายรู้แล้วว่าปวดนะใจไม่ได้ว่าอะไรหรอกแยกแห่รู้แล้วว่าคุณนินทาเราก็เห็นอยู่รู้แล้วคุณาคนเป็นยังไงกิยาการการมองการกราบการไหว้เขาลบไม่เขาลบมาเห็นอยู่เนี่ยเราก็รู้รู้แล้วเอออย่างไงอย่างงๆๆเห็นเห็นจริงๆแต่ใจเราไม่ทุกเดี๋ยวค่อยๆเกี่ยวข้ อ, ข อ, ของไป จะแม่น้ำหรือจะยึลูกย อ, อยจะกอไผ่จะใส่เตาจะเกี่ยวข้องไปตามบทบาทเดี๋ยวพระเดชพระคุณวัตถุกรรมคุณแต่ถ้าเราไม่รู้จักว่าเป็นวัตถุกรรมคุณเกินพอดีเสพมากไปเสพน้อยไปเดี๋ยวก็เกิดเรื่องขึ้นมาถ้าเสพมากไปก็เป็นโทษแช่งอาหารนะนะฝาสมมานหวานซราบเนื้อเบ า, าเบื่อกราบพิษดีโลหิตลดขม ฝาสมานหวานทราบเนื้อเบาเมือเบาโอ้มันไม่อยากพูดนะฝาสมานหวานทราบเนื้อเมาเบื่อขับพิษดีโลหิตต้องลดขมใช่ไหมอาหารใช่ไหมไม่ใช่สังหารนะขับลมต้องเผ็ดร้อนเวลาขับลมมาลดเผ็ดตะไคร้ขิงขาใบสะระแหน่ขับลมเผ็ดร้อนเอ็นอ่อนเอ็นของเราเวลาเก่ๆแก่งมัน มันแข็งใหเอ็นมันยืดต้องลดมันยาหมองน้ํามันหมองพวกนี้ น, นะคาราโบนบิวคาลิปตัสพวกนี้นะหรือว่าไขมันกินเข้าไป ม, มันก็อ่อนตัวลดมันทั้งหลายให้เอ็นอ่อนเข้มนั้นใจให้ผิวหนังเสพหางตอนลดเปรี้ยวแต่ว่าหนึ่งเดียวที่ให้ผลกับชีวิตของเราเป็นความผาสุกอายุยืนยาวหรลดจืดอนะ่ะ เห็นด้วยไหมอ่ารจีนนี่มาเป็นดับหนึ่งรถเจินแต่มันมันเลี่ยนว่าเทพมันหนาวมันกินชาแก้กิบชานั้งวันมตีตัวผูกตัวแก้ตัวผูกตัวแก้มีอยู่ตลอดเวลาชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเวลาทุบพรความคิดนแก้ได้กันกลับมาหาความรู้สึกตัวนี้จบง่ายๆเพราะฉะนั้นทําแบบโง่ๆไปก่อนแก้งโง่มาใหม่ๆวันนี้ปฏิบัติเป็นวันที่ห้าแล้วนะเก็บเกี่ยวแบบแก้งโง่ไปกันแล้วกัน แกงโง่แกงจริงรู้อยู่ตามแบบรู้แกงโง่คือเรื่องอื่นๆไม่ไสนใจนะเสร็จแล้วมจะเริ่มมีสติแล้วรู้รู้ว่ามีอาการต่างๆเกิดขึ้นมาแตาไม่รู้จะทำไงดีละลาเนี่ยคือสติเดี๋ยวมันมาทางไหนมันก็ไปทางนั้นความงโกรนมาเองก็ไปขอมันเองความเจ็บความปวดถ้ามีตบะเรืงนี้มีสติเนี่ยเดี๋ยวมันมาเองก็ไปเองเหมือนกันที่สุดของความทุกข์คือความไม่ทุกข์ จะเป็นอย่างงี้ทั้งมนเลยเกิดได้ดับได้ทุกตัวเลยนะใครลองอ่านดูแต่ถ้ามันทนไม่ไหวให้ปรับเปลี่ยนผ่อนคลบันเทาแก้ไขให้คิดขอสัก3ครั้งก่อนเปลี่ยนเธอหนเปลี่ยนเธอสองเปลี่ยนเธอสาแล้วค่อยเปลี่ยนใหม้มันมีสติอาการเปลี่ยนไม่ผิดเพราะฉะนั้นนั่งเป็นลูกก็ต้องมีจังหวะนะลูกเป็นนั่งก็ต้องมีจังหวะเหมือนกันนั่งโดยจิตนอนมีจังหวะทั้งหมดเลยกํากับก็ถึงเรียก ว, ว่าวิธีการสร้างจังหวะ สร้างจังหวะตรงไปตรงมาเลยสร้างจังหวะถ้าไปสอนต่างประเทศเขาเรียกว่าริท me ึมริทึมดินามิกเบนเทชันเป็นการสร้างจังหวะรู้เป็นครั้งเป็นครั้งเพราะว่าตัวจังหวะของชีวิตนี่แหละแต่ละขณะแต่ละขนาแต่ละวิะนาทีนั่นคือความหมายของการพัฒนาแต่ละจังหวะและจังหวะถ้าพลาดจังหวะใดจังหวะนึงก็เสื่อมไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะถ้ามันรู้เนื้อรู้ตัวเป็นจังหวะเป็นจังหวะมันก็จเจริญ ง, งอกงาม ตรงนี้เรียกว่าทำถูกต้องแล้วก็ต่อเ น, นื่องให้ผลจากโง่ก็เป็นมีสติจากมีสติก็เป็นปัญญาเมื่อมีการตั้งมั่นมากๆเป็นสมาธิอยู่ในความรู้สึกตัวทั้งหมดเลยเอาละก็พูดมาสมควรเก่บเวลาก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเหมือนกันที่นั่งพูดอยู่นะแปบ๊บๆหมดเีกแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพรพ้อมกันแล้วลงไปปฏิบัติกันต่อ